บทภาชณี395กราสที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรมที่ทําถูกต้องหรือฟื้นต้องอบัติปาจิตติรมที่ทําถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจหรือฟื้นต้องอบัติทุกกฎรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรมที่ทําไม่ถูกต้องหรือฟื้นไม่ต้องอบัติรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องต้องอบัติทุกกฎรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิสษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่ต้องอาบัต